ถ้าคงไม่ลืมถ้อยคําที่ภา ษ, ษาฤกษ์กล่าวถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เอาทุกพระองค์เลยท้งพระพุทธเจ้าที่เคยมีในอดีตที่จะมีต่อไปในอนาคตและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบนันนี้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดล้วนแต่ละนิวรห้า ที่เป็นเครื่องทาใจให้ทุรพลหรือว่าเรียกว่าหมดหมดแรงหมดพลังทางใจนิวร์เนี่ยแปลว่าเครื่องเศร้ามองพระพุทธเจ้าทั้งทั้งหมดทุกองค์นั้นล้วนแต่กำจัดความเศร้ามองทางจิตใจเศร้ามองด้วยการมาราคะบ้างหรือการมาฉันทะพยาบาททีนามิธาอุทจักกุกุจะและวิจิกิจฉาซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้ปัญญาทุรพล ทุรพลเนี่ยแปลว่าไม่มีกำลังหรือสามกำลังแปลว่าหมดกำลังหรือว่าใช้ปัญญาไม่ได้คนทั้งหลายที่ไม่สามารถจะใช้ความคิดได้ก็เนื่องจากว่านิวร์เนี่ยมันทำให้เศร้าหมองพราหมณ์เขาไปกราบเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุใดเ น, นาะบางครั้งเนี่ยมนที่เคยท่องจำไว้แล้วเนี่ยนะเขาทรงจำมนเขาจำเขาจำบางเรื่องได้ โดยเฉพาะสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เนี่ยทำไมเนาะบางครั้งก็จําดีดีจําแม่นไปหมดเลยบางครั้งก็เลอะเลือนจําอะไรก็ไม่ได้นะบางอย่างเนี่ยนะไอ้ที่เคยจําได้ก็โอ้ยนึกได้หมดเลยแล้วก็ไอ้ที่เรียนใหม่ๆก็เรียนง่ายๆเข้าใจอย่างปลูกโปรง่งอีกภาคหนึ่งก็บอกไม่ได้ละไอ้ที่เคยจําได้ก็เลอะเลือนไปหมดไอเรียนใหม่ๆก็ไม่รู้เรื่อง ไม่ค่อยจะเข้าใจอันนี้ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็บอกว่าเพราะนิวร์นั่นแหละ น, นิวร น, นี่มันทําให้จิตใจเศร้าหมองทําปัญญาให้อ่อนกําลังให้ไร้กําลังให้ไม่มีกําลังไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาได้ตามความเป็นจริงนี่นะปัญญาไม่เจริญหรือปัญญาไม่เกิดนั่นเองอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสนะนะแล้วก็ที่ภาษาริบบทก็กราบเรียนอย่างนั้นเหมือนกันว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนแต่กำจัดนิวรณ์นิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะเบื้องต้นถ้าจะกำจัดนิวรณ์เนี่ยกำจัดด้วยอะไรผู้ที่กำจัดนิวรณ์ได้นั้นต้องกำจัดโดยปกตินั้นด้วยการเจริญอานาพิชาการเจริญอัพพยาบาทเนี่ยนะเจริญอัศวพาหรือเจริญเมตตาเนี่ยนะกรรมฐานกลุ่มนี้จะเป็นเครื่องช่วยกำจัดนิวรณ์เพราะนิวรณ์นั้นไม่ได้เกิดทีละห้าแต่เกิดทีละอย่าง รู้ว่าสมัยใดนิวรณใดครอบงําเหมาะที่จะเจริญคุณธรรมหรือเจริญวิหารธรรมเหล่าใดเพื่อกําจัดนิวรณ์เหล่านั้นนิวรณ์ไม่ได้มาทีละหอย่างมาทีละอย่างเพราะขณะใดที่ชอบขณะนั้นก็ไม่โกรธขณะใดที่โกรธขณะนั้นก็ไม่ชอบแต่ชอบด้วยกามาราคะหรือกามฉันทะละด้วยอสุภะเป็นต้นถ้าโกรธ ด, ด้วยพยาบาทก็เจริญพรหมนิหารเนี่ยนะเจริญเมตตาเป็นต้นก็สามารถที่จะกําจัด ราคะและโทสะได้โดยวิขัมพนะโดยการครอบงำคือจิตของเราเนี่ยนะถ้านิวรมีกําลังกว่ากุศลก็เกิดไม่ได้ถ้ากุศลมีกําลังกว่านิวรก็เกิดไม่ได้นะก็เหมือนกับว่าเกิดทีละอย่างถ้าตัวไหนแข็งแรงกว่าหมายว่าสนามที่ตั้งแห่งกุศลและอกุศลนั้นก็คือใจถ้านิวรครอบงําใจก็เศร้ามองถ้า กุรลธรรมตั้งมั่นจิตใจก็ผ่องใสเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยถือสาระในการปฏิบัติโดยการกำจัดนิวรณ์ทีนี้การที่จะ ก, กำจัดนิวรณ์ได้ได้ดีระดับหนึ่งได้ดีพอสมควรเลยเนี่ยเอาจิตตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้อย่างไรบอกว่าตั้งจิตไว้ด้วยสติปัฏฐานสนะตั้งจิตไว้ถ้ารูปก็ตั้งไว้ด้วยกายานุปัสนา14วิธีวิธีใดวิธีหนึ่ง ถ้าเวทนาก็ตั้งไว้ด้วยเวทนานุปัสนาเวทนา9้าถ้าจิตตั้งไว้ในจิตก็ตั้งด้วยจิตตานุปัสนาถ้าธรรมทั้งหลายก็ตั้งไว้ด้วยธรรมานุปัสนาฟันจิตของพระองค์นั้นดำรงอยู่ในสติปัฏฐานหรือดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะการที่ดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะแปลว่าพระพุทธเจ้าดำรงอยู่ด้วยสมถะและวิปัสนาการที่พระองค์ดำรงจิตอยู่ด้วยสมถะวิปัสนานั่นแหละเรียกว่า ดำรงอยู่ในสติประทานเมื่อจิตดำรงอยู่ในสติประทานสติอันใดสติอันนั้นเป็นสติสัมโพชฌงค์เจริญสติอันนั้นเนี่ยนะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละสัมปชัญญะที่เกิดร่วมกับสติหรือปัญญาที่เกิดพร้อมกับสติก็วิจัยเลือกเฟ้นการวิจัยเลือกเฟ้นด้วยปัญญาอันนั้นก็เป็น ธรรมวิจยะสัมโพชฌงก็เจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละการเจริญทั้งสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นการงานของคนกล้ากล้าที่จะละบาปกล้าที่จะเพิ่มภูมบุญเนี่ยนะกล้าที่จะสละความคิดที่เป็นอกุศลกล้าที่จะให้จิตเป็นกุศลเนี่ยเกิดขึ้น แล้วก็ภาคเพียรที่จะละอกุศลภาคเพียรที่จะเจริญกุศลความภาคเพียรนั้นอันใดอันนั้นเป็นวิริยะทีนี้ก็เจริญวิริยะสัมโพธชงที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้อย่างนี้อาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละสติอันใดอันนั้นเป็นสตินสีธรรมวิจยะสัมโพธชงอันใดอันนั้นก็เป็นปัญญสีวิริยะอันใดอันนั้นก็เป็นวิริยินสี น น, นผู้ที่เจริญได้อย่างนี้นิวรณ์ไม่กลุ่มรุมตั้งกต่แรแล้วบอกว่าปฏิเสธนิวรณ์ผู้ที่มีจิตนิวรณ์ไม่ครอบงําแปลว่าจิตตั้งมั่นอันนั้นเป็นสมาธินีเรื่องเหล่านี้เป็นของผู้ที่มีศรัทธามีความเลื่อมใสอันนั้นก็เป็นสัตถินรีนะนะอินซีอันใดอันนั้นก็เป็นโพชงผลของการเป็นผู้ที่มีอินทรียดีนะ ส, ส, สติดี ธรรมวิจัยดีวิริยะพยายามภาคเพียรเป็นอย่างดีและการเจริญแต่ละอย่างนั้นอาศัยวิเวกอาศัยวิราค่าอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละปีติสัมโพธชงก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการประการที่หนึ่งเห็นว่าเราเดินถูกทางแล้วเราเจริญในสิ่งที่เป็นสาระแล้วถือเอาแต่สาระแล้วถือเอาแต่สาระคือสติถือเอาแต่สาระคือ ธรรมะวิจัยหรือปัญญาถือเอาแต่สาระคือวิริยะดีใจที่ได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญดีใจในในการปฏิบัติที่เป็นสัมมาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติที่ชอบเป็นการปฏิบัติที่นําออกจากทุกข์และดีใจอันดับหนึ่งก็คื อ, อดีใจอีกข้อหนึ่งก็คือดีใจว่าจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์แล้วหนาะนะ เป็นการปฏิบัติชอบแล้วเนาเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้อมตะนิพพานแล้วเนอก็ดีใจในสองส่วนดีใจในปฏิบัติอยู่ในข้อสัมมาปฏิบัติแล้วก็ดีใจที่จะถึงเป้าหมายที่ที่ประเสริฐคือพระนิพพานที่สงบระงับสังขารปีติสัมโพชฌงก็เลยเกิดขึ้นเจริญปีติสัมโพชฌงอันนั้นแหละเป็นปีติที่ไม่อาศัยอมิตรเป็นปีติที่เกิดจากบุญเกิดจากกุศล จเจริญปีติอันนั้นอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละมันผู้ที่จเจริญอย่างนี้จิตก็สงบจิตก็ระงับกายก็ระงับใจก็สงบทั้งความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดเนี่ยอยู่ด้วยความสงบอันนั้นก็เป็นปัสสัทธิอาศัยความสงบอันนั้นแหละเพื่ออะไรเพื่ออาศัยวิเวกคือให้ความสงบเป็นไปกับสมถะให้ความสงบเป็นไปกับวิปัสสนา เป็นความสงบที่เพื่อน้อมโอนไปหาอริยมัติหรือเพื่อเป็นความสงบรองรับอริยมัติที่เรียกว่าเจริญปสัสสัตที่สำโพธชง์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละผู้ที่ทําได้อย่างนั้นจิตใจก็จะตั้งมั่นปริมาณแห่งคุณภาพของสมาธิก็จะดีตามสมควรแก่สติธรรมวิจัยตามสมควรแก่วิริยปีติและ สติใจก็ดํารงมั่นจากคณิกะสมาธิจากใจที่ตั้งในน้อ ย, อยก็ตั้งในมากขึ้นกุศลธรรมเกิดได้บ่อยขึ้นยาวขึ้นคุณภาพแห่งสมาธิก็สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะขจัดปฏิปักษธรรมก็อาศัยสมาธิอันนั้นแหละเป็นบาปเพื่อการตรัสรู้ต่อไปอันนั้นก็เป็นการเจริญสมาธิสัมโพชงเนนะสมาธิสัมโพชงเจริญโดยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อ การสละในการปฏิบัติธรรมพ่อชองทั้ง6ประการเป็นไปด้วยดีก็รักษาความสม่ำเสมอเหล่านั้นอนาวิจัยเลือกเฟ้นปล่อยให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอไ ม, ไม่ไม่เร่งเกินไปไม่ช้าเกินไปหาความพอดีสม่ำเสมอรักษาความสม่ำเสมอเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องอันนั้นก็เป็นอุเบกขาสัมพ่อชองนะไม่ต้องเร่งในสมัยที่ควรเร่ง หมายความว่าปกติแล้วจิตเนี่ยถ้าจิตฟุ้งซ่านก็เป็นสมัยที่ต้องเจริญปสัสสติสมาธิสามโพชฌงอยู่แล้วถ้าสมัยไหนเป็นสมัยที่สงบสมัยนั้นก็เจริญวิริยะเจริญธรรมวิจยะเจริญปีติสามโพชฌงนั้นเมื่อเป็นไปด้วยดีก็มีการประคับประคองไปเรื่อยๆเนี่ยนะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้นี่แหละ เรีวกว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละเพิ่มพูนคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจากปริตตะหรือจากมหากุศลเป็นมหคตะกุศลจากรูปาวจรกุศลเป็นอรูปาวจรกุศลจากมหากุศลรูปาวจรอรูปาวจรตั้งอุปนิสัยเพื่อโลกุตระเพื่อชำแรกออกจากบาปและอกุศล เพื่อให้กุศลธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลที่มีกำลังยิ่งเผาผลาญบาปประรรมได้เพราะถ้าเจริญกุศลจนถึงขนาดโสดาปติมัคเกิดขึ้นบาปอาคสถานคือใจก็จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งนิวอ่อขอไปจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เช่นทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจชาสังโยชน์ก็จะถูกขจัดกำจัดออกไปหรือว่าทิฏฐานุัยจะถูกกาจัดออกไป วิจิกิจมชานุใสก็จะถูกตัดออกไปด้วยอนุภาพแห่งกุศลที่มีกําลังยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะฮะกุศลเหล่านั้นเนี่ยเมื่อสูงที่สุดมีพระนิพพานเป็นอารมณ์กุศลอันนั้นเป็นมรรคกุศลใจดวงนั้นก็จะเลิกเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลเหล่านั้นต่อไปเพราะอนุภาพของการวิจัยเลือกเฟ้นนี่ก็เพิ่มพูนพ่อชงเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อ สกทาคามีมัชเพิ่มพูนโพชฌงเหล่านั้นอีกต่อไปเพื่ออนาคามีมัชเพิ่มพูนโพชฌงเหล่านั้นเพื่ออรหัตตมัชเนี่ยนะอันภาษาริบุตรจึงกล่าวแบบสรุปย่อๆว่าพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตที่จะมีต่อไปในอนาคตที่มีอยู่ในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าทั้งมวลเหล่านั้นล้วนแต่ละนิวรที่ทำใจให้ทุรพลมีจิตดำรงมั่นอยู่ในสติปัฏฐานเจริญโพชฌงเจตแตสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในสมัยของการเลือกเฟ้นพิจารณาของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีปริยัตเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะเพราะพระองค์ถือเอาแต่ ถือเอาแต่เรียกว่าถือเอาแต่ธรรมะเป็นประมาณถือเอาแยกแยะในความเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่ง อ, อนุภาพของบุญกุศลที่พระองค์เจริญมาอย่างพอเจริญมามากเนี่ยนะทำให้พระองค์วิจัยเลือกเฟ้นอันนี้ควรรู้ยิ่งอันนี้ควรกําหนดรู้อันนี้ควรละอันนี้ควรเจริญอันนี้ควรทําให้แจ้งด้วยด้วยบุญกุศลที่พระองค์ได้สั่งสมมา เพราะในขณะในขณะนั้นสมัยนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีพระองค์ตรัสว่าอา น, านุ ส, สุเตสุธรรมเมสุ น, นะในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยแต่ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้บําเพ็ญบารมีมาเนี่ยเป็นไปได้ไหม จะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมาวิจัยเลือกเฟ้นพระองค์ก็เลยเรียกว่าสยามภูผู้ตรัสรู้เองนะเป็นพระสยามภูไม่มีอาจารย์นะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะกล่าวไปแล้วพระองค์ได้เรียนคําสอนปฏิบัติตามคําสอนรู้แนวทางมาสีอสงไขยแสนกลับแล้วเนะนะี่ยนะเรียกว่ารู้แนวทางบางครั้งก็ยังหลงทางเดี๋ยวพอไปถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าพระนามว่า ช่วงสมัยเมื่อเก้าบเอ็ดกับเนี่ยพระองค์ก็ไปลองผิดลองถูกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแม้แต่ชาติสุดท้ายก็ยังไปลองผิดลองถูกขนาดพอจะรู้นะว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยขนาดแค่พอคนพอรู้พอเข้าใจนะยังเดินทางยังหลงทางเหมือนกันแท้อยู่กรุงเทพเนี่ยหลงทางบ่อยไหมเออก็ว่ามาถูกทางเลยนะไปไนดะ้ยังไงเนี่ยมันมาถึงนี่ได้ยังไงนะนันหลายคนก็ว่าก็ลงทาง อยู่กรุงเทพเราชำนาญทางว่าทำไมบอกหลงทางประจําเขาว่างั้นนะบางคนนี่ก็อย่างนั้นถึงพอรู้นะว่าอะไรเป็นอะไรถึงขนาดนั้นก็ยังบางครั้งก็ยังแวะออกนอกทางมันผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยผ่านเหตุการณ์เรื่องราวมากมายกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งใช้เวลานานมากทีนี้ ถ้าพระองค์ไม่มีการสั่งสมบารมีแล้วก็บารมีแต่ละอย่างเนี่ยถ้าไม่มีเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยนะเขามาว่าไม่รู้ผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงบอกผลลัพธ์ก็ไม่ต่างอะไรจากพวกเราเนี่แหละถ้าหากว่าการเจริญกุศลธรรมของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่มีเป้าหมายไร้ความชัดเจนเนี่ยนะท่านก็จะเป็นเหมือนเรานี่แหละเหมือนเราตอนไหนตอนที่ไม่ได้ฟังธรรม นะตอนที่ไม่คิดถึงพระธรรมเลยเนี่ยนะก็จะเป็นแบบนั้นอนะ่ะไม่เหมือนไม่ต่างอะไรกันเพราะอยู่ในสังสารวัตรมานานพอๆกันนะสังสารวัตไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอดีตตั้อดีตที่ผ่านมามันตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยไม่มีนั้นพระองค์นี้อาศัยว่าอตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะตั้งความปรารถนาไว้เป็นอย่างดีพระองค์นั้นอาศัยการสร้างบารมีสิบ และมีอัตตะสัมมาปณิทิเรียกว่าความปรารถนาที่ถูกต้องเนี่ยคอยกําหนดอยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกว่าทานที่พระองค์ให้พระองค์ก็ให้เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณรู้อยู่แล้วว่าสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเป็นผลของการเจริญโพชงเป็นผลของจิตที่ดํารงมั่นอยู่ในสติปัฏฐานเป็นผลของการละนิวนอนนะโพธิญาณอันนั้นจึงเกิดขึ้นเมื่อโพธิญาณเหล่านั้นเกิดขึ้นทํากิจอะไรบ้างทํากิจ ช่วยตัวเองให้ข้ามออกจากทุกทำกิจช่วยเหลา่าสัตว์ให้แต่สรู้ทำเป็นที่พ้นทุก์ท่านรู้อยู่แล้วว่าบั้นปลายนั้นคืออะไรสาเหตุมาจากไหนเพราะนั้นสิ่งมีอยู่สองอย่างด้วยกันที่ที่พระองค์เจริญที่เรียกว่าเจริญบุญญาณนะเนี่ยนะเจริญบุญญากับเจริญญาณสัมภาระ พระองค์เลือกทำบุญที่สุดเท่าที่จะทำบุญไหนที่ควรจะทำพระองค์ทำหมดแต่บุญเหล่านั้นเหล่านั้นที่พระองค์ทำทาด้วยปัญญาทำประกอบกับปัญญาตรงไหนที่พระองค์ทำบุญไม่ได้พระองค์ก็เจริญปัญญาเป็นหลักเนี่ยนะในบรรดาบุญทั้งหลายก็คือบุญยักิริยาวัตถุสิบนั่นเองพระองค์ก็ภาคเพียรในการทำบุญแม้แต่ให้ทานพระองค์ก็ให้ทานเพื่อจะได้ละความเศร้ามองทางใจให้ทานเพื่อ ใหส้สติเนี่ยดำรงมั่นอยู่ในสติปัฏฐานให้จิตดำรงมั่นอยู่ในสติปัฏฐานให้ทานเพื่อได้เจริญโพชฌงค์ให้ทานเพื่อจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณให้ทานเพื่อจะได้แสดงธรรมช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นจากทุกข์มันการให้ทานของพระองค์นั้นจึงมีเป้าหมายอยู่อย่างเดียวนะผลพลอยได้อย่างอื่นไม่สนใจนนะสนใจอยู่เป้าหมายอยู่ชัดเจนนะเป้าหมายอยู่เป้าเดียวรักษาศีลทุกอย่างเนี่ยนะ เจตนาที the the okay. ่เว้นจากปาณาติบาตศีลคือเจตนารักษาเจตนาเว้นจากปาณาติบาตก็ตามรักษาเจตนาเว้นจากอธินาทานก็ตามรักษาเจตนาเว้นจากปาเมสุมิจฉาจารก็ตามรักษาเจตนาเพื่อประพฤติพรหมจารก็ตามรักษาเจตนาเว้นจากวจีทุจริตก็ตามรักษาเจตนาเหล่าใดที่เป็นอธิศีลทั้งหลายจะตกปริสุทธิศีลก็ตามการรักษาคุณธรรมเหล่านั้นทั้งหมด ก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นน้อมเอาคุณธรรมเนี่ยสแสวงหาโพธิญาณบอกว่าศีลทั้งหลายเป็นทรัพย์ใช่ไหมเอาทรัพย์อันเนี้ยซื้อโพธิญาณอ น, นรักษาค่าของอริยทรัพย์คืออริยทรัพย์คือสัตธานนะเจตนาจากค่าเจตนาที่เกิดจากการให้รักษากุศลศีลรักษาวิริศีลอาศัยศีลอันนั้นเป็นบาปเพื่อ โลกุตระธรรมขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ภาพเพียรในการละนิวรณ์ทั้งหลายอันนั้นเป็นเนคขมะลักษณะของเนคขมะก็คือออกจากนิวรณ์ออกจากกามฉันทะด้วยเนคขมะเนี่ยนะพงั้นการที่ออกจากกามทั้งหลายทั้งออกจากวัตถุกามและออกจากกิเลสกามด้วยเนคขมะก็อาศัยการออกตัวนั้นเอาเจตนาที่ออกจากวัตถุกามเจตนาที่น้อมออกจากกิเลสกามเอาเจตนาตัวนั้นเพื่อ น, นิพพาน หมายว่าเพื่อเพื่ออะไรเพื่อละนิวรณ์ตั้งอากุศลเจตนาเหล่านั้นเพื่อละนิวรณ์เพื่อจิตดํารงมั่นอยู่ในสติปัฏฐานตั้งกุศลเจตนาอันนั้นเพื่อจะให้เจริญโพชฌงตั้งกุศลเจตนาอันนั้นเพื่อแทงตลอดสัพพัญญุตยานเพื่อแทงตลอดอส า, าธารณะยาะนเลยนะนั้นเจริญเนคขมะเหตุคือเนคขมะผลคือละนิวรณ์สติดำรงสติตั้งมั่นอยู่ในสติปัฏฐาน เจริญโพชฌงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้เจริญหรือจะได้แสดงธรรมเพื่อเกื้อกูลเวนยสสัตว์เพมันกุศลอย่างอื่นก็เหมือนกันแม้แต่เจริญปัญญาได้ความเข้าใจอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเช่นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมเข้าใจเรื่องดีเรื่องชั่วเข้าใจเหตุแห่งความเจริญเข้าใจเหตุแห่งความเสื่อมอนะรู้อะไรเป็นสิ่งที่ควรละรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรเจริญน้อมเอาความรู้เหล่านี้นี่แหละ เป็นเบื้องบาตเป็นพื้นฐานให้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตมันปัญญาก็ตั้งปัญญาเพื่อคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าภาคเพียรในการเจริญกุศลว่าเพียรละอากุศลเหล่าใดความพยายามเหล่านั้นก็มีเป้าหมายอย่างเดียวก็เพื่อแทงตลอดธรรมดังที่กล่าวไปนะพันถึงจะมีความอดทนในการเจริญกุศลก็อาศัยบาตแทงความอดทนเหล่านั้นเพื่อการตรัสรู้อย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะ มีสัจจะรักษาคำสัจรักษาคำจริงคำสัจที่เจตนาที่เป็นเหตุให้รักษาอยู่ในวจีสัจจะวิรติสัจจะสัจจะเหล่านั้นหรือว่าเจริญญาณสัจจะก็เพื่อโพธิยามที่กล่าวไปนะถึงทําทุกอย่างเนี่ยนะปรารถนาในการเจริญกุศลอยู่ตลอดเวลาอธิษฐานนั้นอธิษฐานบารมีก็เหมือนกับกระหายที่จะทํากุศลใหม่ๆอยู่ยิ่งยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะอธิษฐานเพื่อทํากุศลนะอธิษฐานไม่ใช่ ไม่ใช่ลักษณะอธิษฐานกับขอทานไม่เหมือนกันอธิษฐานนั้นเป็นลักษณะการเพิ่มพูนว่าจะทําบุญให้มันยิ่ ง, งขึ้นไปได้อย่างไรแต่ถ้าขอทานก็ขอเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะขอแก้วขอแหว น, ข อ, วนขอเงินขอทองอะไรก็แล้วแต่ลักษณะนั้นคล้ายๆกับขอทานแต่ถ้าอธิษฐานนั้นเป็นการตั้งมั่นเพื่อให้กุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมว่าทําทุกอย่างก็ทําด้วยเมตตาทั้งเมตตาตนต่อตนเองและเมตตาต่อ ผู้อื่นความเมตตาเหล่านั้นก็ตั้งเอาเมตตาเพื่อโพธิญาณอย่างที่กล่าวไปถึงอย่างนั้นเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่ไม่อารยอาวรในเหตุการณ์ในสถานที่ไม่อารยอาวรในทุกสิ่งทุกอย่างเนยนะอันนั้นก็เป็นอุเบกขามีแต่ความปรารถนาให้กุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดก็ได้ตรัสรู้ซึ่งกิจกรรมในการเจริญอันนี้เนี่ยถือว่าลองผิดลองถูกโดยลาพังเนี่ย ก็เลยเรียกว่าบุคคลเอกบุคคลเอกแปลว่าคนแต่คนผู้เดียวเป็นคนคนเดียวปฏิบัติทุกอย่างเป็นคนคนเดียวเจริญทุกอย่างเป็นคนคนเดียวนี่ออกบวชแล้วก็ตรัสรู้แต่เพียงผู้เดียวพระองค์ก็เลยเรียกว่าเป็นบุคคลเอกเนี่ยนะเป็นบุคคลเอกบุคคลเอกหรือบุคคลผู้เดียวในนี่แหละที่เกิดมาในโลกเจริญขึ้นในโลกเติบโตในโลกพระองค์เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ ชาวโลกเนี่ยนะเพื่อประกอบเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งบุคคลอย่างนี้ น, นั้นน่าจะมีสักองคหนึ่งเนี่ยนะอสงไขยแรกอสงไขยที่4เนี่ยนะถอยหลังไปสีอสงไขยในกลับนั้นที่พระโพธิสัตว์เนี่ยในฐานะผู้ท่องเที่ยวมานานได้เจอพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่พยากรณ์ ทั้งังที่เคยมีพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทง า, างกรสารนางกรได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าทีปังกร